Thank mm -hmm. you. ก็ปีก่อนก็ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตหลายเดือนที่วัดอมรวดีของหลวงพ่อสุเมโทโธที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นวัดอมรวดีก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมแบบเทลวาดในประเทศอังกฤษหรือว่าในยุโรปเลยทั้งทวีปก็ว่าได้เพราะตะกอนการปฏิบัติธรรมแนวพุทธก็มักจะเป็นในแนวเซน ส่วนเชลว่าเนั้นก็ไม่ค่อยหนักเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่ในอังกฤษพระลังกาไปก็ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าในเรื่องการปฏิบัติก็ไม่สําเร็จก็มามาได้ผลก็ตอนที่หลวงพ่อสมเมโทไปตั้งสํานักที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี20เอาวิธีการแนวปฏิบัติแบบหลวงพ่อชาว่าน้องพระพงษ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเคร่งในวินัยมากทีแรกคนก็คิดว่าคงจะไม่ได้ผลเพราะว่าคนยุโรป ค, คนอังกฤษเขาเขาชอบเสรีภาพเขาไม่เข้าใจเรื่องวินยัยสิกขาบทแบบวัดป่าแต่ว่าท่านก็ไปทำให้เขาเข้าใจจนสำเร็จสามารถที่จะดำรงชีวิตแบบพระป่าได้รวมทั้งการบินธาต ก็บินทำบายกันทุกวันได้บางไม่ได้บางไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับผู้คนนะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจตอนที่ไปอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตั้งใจจะไปไปเรียนรู้แล้วก็ไปถือโอกาสไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยไปวันแรกสองวันแรกนี่ก็ พ็ปรากว่ามีพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วไปดีกว่าอุตสาอยู่วัดเซนแล้วก็ย้ายจากวัดเซนมาอยู่เป็นพระเทรวาสคิดว่าจะได้มีเวลาว่างๆคือท่านชอบค้นคว้าศึกษาพระสูตรนึกว่าจะได้มีเวลามาศึกษาพระสูต ร, รตก็พระไตรปิฎกก็ที่นี่มีแต่งานทําทั้งนั้น หนีงานจากวัดเซนไม่อยู่วัดเทรวาเนึ่องว่าจะจะสบายไปดีกว่าอันนั้นก็เป็นเรียกว่าวันแรกๆที่ได้พบว่าสิ่งที่เรากาลังจะเจอที่วัดอมรดีนี้จะเป็นยังไงที่นั่นนิเรียกว่าตั้งแต่เช้าจนค่าโอกาสที่จะหลีกเล่นเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยทําวัดก็ตีห้ถ้าเป็นหน้าหนาก็ตีเศษครึ่ง ทำบ้าเสร็จนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง7จ็ดโมงจาก7จ็ดโมงก็ไปทําความสะอาดกุฏิที่พักของตัว8ปดโมงก็ต้องมาพบปะกันพร้อมกันเพื่อมาฉันเขเรียกว่าเขาโอ๊ตหรือว่าเขาต้มแบบบ้านเราแต่ เ, เป็นเขาโอ๊ตวันแล้ววันเล่าก็เขาโอ๊ตนี่แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้คือเขาโอ๊ตยกเว้นว่าวันไหน เป็นวันเกิดพระก็เขาอาจจะมีพวกขนมปังแต่ถ้าไม่ใช่วันเกิดวันพิเศษก็เขาโอ๊ตหลวงพ่อสุเมทโทก็อาจจะใช้เวลาพูดคุยสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ซึ่งปกติก็มีพระประมาณ20แม่ชีหรือเครือศิลธรรลาก็อีก10กว่าแล้วก็คารวะอีกยีิบสวันหนึ่งก็ห ก, ก 10, 70บเสนทาก จนถึง9ก้าโมงเช้าหลังจากนั้นก็ต้องแยกแย้ายกันไปแล้วบางคนก็ต้องไปทําความสะอาดพวกภาชนะที่ใช้ในการกินการฉันข้าวโอ๊ตก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวเพราะว่าช้อนซ่อนจานชามนี่ก็เป็นเกือบร้อยหมอ้อถ้วยโตโอชามอีกกว่าจะเสร็จก็เป็นชั่วโมงส่วนพระนี่ก็ต้องไปบินธรรบากเดินเงินเข้าไปในเมืองผัดตัดผ่านป่าเข้าไป เข้าไปในเมืองเจอคนหลายประเภทดีหน่อยก็มีคนมาทักว่าถามว่าเราทําอะไรทายาหน่อยก็นั่งรถผ่านก็ตะโกนมาด่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นในเมืองใหญ่ๆบินา บ, บานก็ไปตามบ้านคนสักสองสบ้านแค่นั้นแหละแล้วก็บ้านสุดท้ายก็ไปฉันน้าร้อนน้ำชาเขาคุยกับเขาเสร็จแล้วเขาก็ขับรถมาส่ง ดูมันสบายแต่ที่จริงลําบากเพราะว่ามันเดินไกลแล้วก็หน้าหนาวก็ทรมานมากจะต้องมีแค่ว่ากล่องเล็กๆใส่ฐานจุดไฟเป็นฐานอย่างดีแล้วก็จุดไฟมันก็ไหม้อยู่ในฐานนั่นแหละค่อยๆไหม้เราก็เอามือไปจับ ก, กล่องนั้นแค่เ ป, เป็นการเอามือไปอังบินบาบไปก็เอามืออังไปเพราะว่าอุณหภูมิมันบางทีมันก็ มันกเกือบ0ูนน้องที่ต่ำกว่าศูนย์กลับมาชั้นเสร็จไม่ได้พักนะต้องแบ่งเวรกันทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการทำครัวรวมทั้งล้างชามด้วยเป็นงานใหญ่มากเพราะอุปกรณ์เป็นร้อยๆ้อยชิ้นเป็นร้อยๆชิ้นกว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบบ่ายโมงบ่ายโมงมาเจอกันเพื่อแบ่งงาน งานนี้ทําตั้งแต่บ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะปัดกวาดเช็ดถูซ่อมแซมเ ส, สนาชนะอย่างเสาที่เป็นรูรูเงี้ยเขาไม่ปล่อยผ่านเลยเขต้องหาอะไรมามาอุดนะพื้นที่เป็นรูเงี้ยเขาไม่ปล่อยให้อย่างรูตะปูเงี้ยเขาไม่ปล่อยเขาจะต้องมาเอาอะไรมาอุดตุดตุนะเรียกว่าต้องหางานทําให้ได้นะคนที่เป็นหัวหน้า ง, งานนี้วันวันหนึ่งตอนเช้าก็ต้องคอยไปตระเวนดูว่าตรงไหนมีงาน ต้องหางานให้คนทำให้พระธรมให้คารวะทำคารวะก็ตัดยาพระนี่ก็คอยท่านมาทีอุดหรือว่าซ่อมเสนาสนะซ่อมหน้าต่างเพื่อเตรียมรับหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนก็สบายแต่พอหน้าหนาวนี่งานโชว์นี้ก็ทรมานเพราะบางทีก็ไปทํากลางแจ้งมาไปทําข้างนอกเจ็ดถูต่างๆจนถึง5้าโมงเย็น5้ามงเย็นก็ได้พักหน่อยก็มีการชา น, น้ําชากันคุยกันนิดหน่อย นะตอนนี้เหละเป็นช่วงที่เรียกว่ามีเวลาว่างมากที่สุดคือ2ชั่วโมงอาบน้ำเขียนจดหมายอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดแล้วทุ่มหนึ่งก็ต้องมาเจอกันอีกทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิเกือบสามทุ่มถึงอตอนนั้นแหละที่เป็นเวลาส่วนตัวของแต่ละคนใครจะอ่านหนังสือต่อก็ทากันตอนนั้นแหละกว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่มบางคนก็นอน5ทุ่มนะตีตื่น เพื่อเตรียมทำวัดชีก็เป็นอย่างนี้นะมีแต่งานงานนะแม้แต่ภาคฝรั่งก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ไม่เบาเลยมาบวชนึกว่าจะได้นั่งสมาธิกับต้องมาทำงานหรือถึงไม่ทำงานก็ต้องมาเจอหน้าผู้คนพระไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าที่วัดในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติ งานกิจส่วนรวมก็มีน้อยอาจจะมีเฉพาะกลางวันแม้แต่ในสำนักหลวงพัอพุมงก็แค่บ่ายสามก็มาทำงานชั่วโมงหนึ่งกดปัดกวาดแล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติแต่ของที่วัดอมรดีนี้ขึ้นชื่อหรือชามากวันในเรื่องของงานการนี่มีเยอะไปหมดเวลาส่วนตัวมีน้อยหลายคนก็มีความไม่สบายใจว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิ เขคิดว่ามาบว ล, ล้วนายนาย่นาจะได้มีเวลาปฏิบัตินะแต่ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเลยอยู่อมรวดีที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วหลวงพ่อสุมเมโอ ท, ท่านก็พยายามก็พูดว่าเนี่ยการการมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องเจอกับแรงเสียดทานถ้าปฏิบัติแล้วมาลาบเลื่อนเนี่ยมันการปฏิบัติมันเจริญก้าวหน้าไม่เท่าไหร่ มันต้องเจอกับแรงเสียดทานแรงเสียดทานจากการทํางานแรงเสียดทานจากการสัมพันธ์กับผู้คนรวมทั้งแรงเสียดทานจากการที่มันไม่มีเวลาที่จะหลบลี้หนีหน้าไข่แรงเสียดทานเหล่านี้เนี่ยถ้าหันมาดูใจนะแทนที่จะเพ่งออกไปข้างนอกแทนที่จะไปเพ่งที่ที่โนนที่นี่งานหนักจังไอ้หมอนี่มันอู้งานอากาศก็หนาวเหลือเกนินี่มัน ส่งจิตออกนอกหมดแต่ถ้าเกิดว่าหามาดูใจข้างในเห็นใจที่มันบน่นเห็นใจที่มันอึดอัดนะไออาการที่เห็นนั่นแหละมันจะช่วยการปฏิบัตินะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าที่นั่นท่านก็เด้เรื่องการเจริญสติคนไปคิดว่าต้องนั่งหลับตาตามลมหายใจที่จะเจริญสติที่จริงที่นั่นก็มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าเป็นวันพระเนี่ยได้เจริญสติเต็มที่เลยหรือตอนคืน หลังทําวัดสามทุ่ก็นั่งสมาธิไปถ้าวันพระเล็กก็ถึงเที่ยงคืนถ้าวันพระใหญ่ก็ถึงตีสามไม่ต้องนอนกันได้ทําสมาธิสมใจแต่คนก็ยังรู้สึกว่างานมันเยอะคนที่ไม่เข้าใจก็ค่อยๆหาทางขยับขยายไปที่อื่นแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าเกิดเข้าใจเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือวิธีการปฏิบัติที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ที่จริงนี่ก็เป็นวิธีการที่หลวงพ่อชาท่านก็ใช้อยู่เสมอนะก็มีภาพฝลั่งเขาเล่าว่าเนี่ยที่นั่นเวลาวันพระวันพระเล็กหรือพระใหญ่ก็ตามนะก็จะไม่นอนกันในระหว่างนั้นนอกจากมีการทำสมาธิแล้วก็มีการแสดงธรรมหลวงพ่อชาก็มักจะนิมนต์ให้พระรูปต่างๆมาแสดงธรรมไม่ใช่แค่จเจ้าวาหรือว่าลองจเจ้าวาดอย่างเดียว และเวลานิมนต์ก็ไม่ได้บอกลวงหน้าเรียกว่าชี้ตัวกันตรงนั้นเลยขึ้นไปเทพะ้าที่ขึ้นไปเทพก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าพูดดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าให้เขาได้ไปดูได้เห็นใจของตัวเวลาที่พูดแล้วมันไม่ได้เรื่องเวลาเกิดความอึดอึกอักติดขัดขึ้นมานะโดยพระพฝรั่งนี่ จะกลัวมากนะตอนแสดงธรรมเพราะว่าภาษาไม่ดีแต่บางท่านนี่ก็พูดไายจนดีคล่องเวลาท่านนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ว่าที่แรกก็ดูมันจะภาคภูมิใจนะให้พูดพูดยาได้เป็นชั่วโมงบางท่านก็พูดได้ดีแต่พอจะลงจากธรรมะหลวงพ่อบอกเอาพูดต่ออีกชั่วโมงหนึ่งก็ต้องพูดต่อนะกลางดึกนั่นแหละ แตพูดไปพูดไปคนก็ค่อยเริ่มหายเริ่มหายเริ่มหายเสร็จแล้วหมดชั่วโมงที่สองแทนที่จะลงลุงพ่อบอกพูดต่อคราวนี้คนนี้ไม่ว่าพูดเก่งแค่ไหนพอมาถึงชั่วโมงที่สามแล้วเนี่ยคนก็ค่อยหายหายหายไปบางท่านนี่ถ้าบอกว่าเหลือแต่ตุ๊กแกมาฟังไอนะ้ความมั่นอกมั่นใจนี่มันหมดไปเลยนะความรู้สึกภูมิใจว่าฉันแน่ฉันเก่งนี่หมดไปเลย เจอบรรยากาศเจอวิธีการแบบนี้ปพราะว่าได้ผลดีมากเพราะว่ามันได้เห็นใจของตัวเองจากที่เกิดความภาคภูมิใจเนี่ยพูดล้มีคนฟังลําดับข้อความได้ให้คนเข้าใจได้เนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะแต่ว่าพอตอน ก, นกลางๆลาท้ายๆนี่ใจที่ฟูมันก็ค่อยแฝงแฟงเพราะคนนี้เริ่มหลับเริ่มสับเงียนะหายหายไป ส่วนตัวเองก็เริ่มพูดไม่เป็นไม่เป็นลำดับแล้วเพราะมันไม่รู้จพูดอะไรแล้วพูดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดสเปสะสปะไปเรื่อยมันก็ได้เห็นใจของตัวเองที่เคยฟูเพาะไอแฟดแฝดแฝดมันแฟดสุดๆเมื่อไม่มีคนฟังแต่ก็ต้องพูดไปนะคนก็หลับมัางหายไปบ้างมันได้เห็นใจของตัวแล้วทั้งหลายคนก็บอกว่าหูผมดีมากเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนไม่เคยกลัวเลยไม่เคยประมาเลย พราะเจอเลยที่มันแย่สุดๆมาแล้วก็เลยว่าใจเป็นปกติได้เวลาจะไปพูดในที่หรือไปแสดงธรรมในที่ที่มีคนมันไม่กลัวแล้วเพราะว่าเจอที่มันแย่สุดๆเป็นล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้เกิดแรงเสียดทานให้เกิดความไม่สบายใจความวุ่นวายใจข้างในนะและตรงนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูใจมันก็จะเห็นเลยมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้น เไม่ว่าจะเป็นตัวกิเลสที่ฟุที่ทําให้ฟูหรือว่าทําให้แฟด ก, ก็ตามบางทีท่านก็หาโอากาสสร้างปัญหาให้พระต้องกลุ้ม อ, อกกลุ่มใจกันอย่างที่เคยเล่าสร้างโบสถ์เสร็จหลวงพ่อก็ให้ผนดินที่เหลือจากการสร้างโบสถ์ลงมาขนดินกันเป็นเวลาสามวันเต็มเต็มตั้งแต่10บโมงเช้าถึงค่ำสิ่งแบบนี้มันไม่ได้เห็นจากชีวิตประจําวันเท่าไหร่มันต้องเจอจกับปัญหาปัญหานี่ม่ทําให้ ให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีปัญหาที่ปัญญามก็ไม่เกิดนะปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เจอแรงเสียดทานเจอกับปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่ที่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยชีวิตของคนชีวการปฏิบัตินี่บางทีมันถ้าทําไปนานๆนี่มันมันลงล่องนะเคยชินกับวิธีการเดิมๆแต่ละวันแต่ละวั น, วนมีกิ จ, จวัตรที่แน่นอนก็ดูเหมือนว่าสบายซึ่งตรงเนี้อ จ, จะเป็นปัญหาได้เพราะว่า มันทำให้เกิดความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันราบเรียบมันแน่นอนคาดหวังได้ซึ่งในจริงชีวิตของคนทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตชาวโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะรถติดนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่สามารถจะคาดการเกณฑ์อะไรได้ไจิตที่มันเจอความแปรเปลี่ยนไม่สมหวังบ่อยๆนีนนนะาา่เป็นจิตที่ตื่นตัวนะถ้าวางใจทีเป็นจิตที่ตื่นตัวเป็นจิตที่รู้ทัน แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้แต่ชีวิตที่มันเลืราบเรียบแต่ละวันแต่ละวันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ไปสร้างมายาภาพว่าอะไรแหลมันก็คงที่คาดหวังได้ทุกอย่างมันมีความแน่นอนไอ้จิตที่มันการตั้งจิตแบบนี้หรือเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างปัญญา เราก็ไม่ทําให้เป็นจิตที่ลวดเร็วชับคไวในการในการรับรู้ปัญหาเพราะมันมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังแล้วมันก็คิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่คาดหวังได้แน่นอนมันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาการปฏิบัติในชีวิตแบบแบบพวกเรานี้นะมันก็ก็มีดีเหมือนกัน แต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือว่ามันลาบเรียบเกินไปมันลาบเรียกเกินไปจนกระทั่งมันไม่ค่อยเจอแรงเสียดทานบางทีครูบาอาจารย์ที่ฉลาดต้ก็ต้องหาทางสร้างแรงเสียดทานให้เพื่อให้เกิดความตื่นตัวไม่งั้นจิตมันจะลงล่องลงล่องวันเดิมๆทำเดินเดินอะไรๆก็เหมือนเดิมจนกระทั่งพอมาเจอปัญหาที่มันเป็นความพันปนแปรปวนในชีวิตหนักๆเขารับมือไม่ไหว เช่นเจ็บป่วยหรือว่าเจอคนที่ไม่ถูกใจเจอความขัดแยง้งหรือว่าเจอความเจ็บความป่วยแม้แม้กระทั่งความตายเนี่ยมันรับมือไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างดูเหมือนว่าเคยคิดว่ามันราบเรียบสม่ําเสมอซึ่งที่จริงมันเป็นความเข้าใจที่ส่วนทางกับความเป็นจริงในประเพณีของพระสมัยก่อนแล้วก็ต้องมีการทุดงนะเพื่อให้มันได้เจออะไร ที่ไม่เหมือนเดิมมั่งจะได้เป็นการท้าทายแล้วก็สร้างแรงเสียดทานเพื่อทําให้เกิดทุกข์ต้องทําให้เกิดทุกข์เพราะว่าทุกข์นี่มันจะทําให้ให้เกิดปัญญาได้ทุกข์นี่ถ้าเกิดว่าเราเราเห็นทุกข์นะไม่ใช่เข้าไปเป็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์นี่มันมันเกิดปัญญาได้นะจิตมันพลิกได้ถ้าเห็นทุกข์เข้าไปซึ่งๆหน้าตรงๆครูบาะอาจารย์หลายท่า น, น, นก็เล่าเนาะบางทีก็จิตมันก็พลิกตอนที่ เกิดปัญหาขึ้นมาท่านอาจารย์ประโมทท่านก็เล่าเนี่ยมีตอนที่เป็นคาราวานี่มีคราวหนึ่งนี่ฝนตกหนักมากนะ mm hmm. เพื่อไม่มีล่มเพระจากที่ทํางานนี่เจอฝนเข้าไปเต็มเป่าเลย mm hmm. เพื่อนจะต้องไปไปหาเพื่อนที่อีกที่หนึ่ง mm hmm. เพราะว่าพอไปถึงที่พักของเพื่อนนี่ตัวเปียกหมดเปียกซกเลยนะ mm hmm. ก็นั่งสันอยู่ที่เพิงหน้าหน้าที่พักใจ ก, ก็กังวล ว่าถ้าเจอแบบนี้เข้าพรุ่งนี้คงจะเป็นไข่คงจะเป็นหวัดแล้วะเป็นห่วงนะว่าจะทํางานไม่ได้นะจอหนายก็ดุด้วยไอตอนใจที่มันวิตกกังวลเนี่ยเพราว่าเกิดมีสติมาเห็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันพลิกอย่างแรงเลยตอนนั้นถ้าปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ช่วงขณะนั้นเนี่ยพอเห็นความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นจิตมันพลิกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยเรียกว่าไอความ ความยึดถือว่าเป็นว่ากายหรือใจเป็นเรา ม, มันมันขาดสะบั้นท่านหนึ่งท่านก็เคยท่านก็เล่าเนี่ยนางปฏิบัติอยู่ตอนกลางคืนพรกากฏเขาจุดประทัดกันตูมตูมเสร็จแล้วก็ตกใจเสร็จแล้วก็หายไปมันกดจดุจดอีกตูมหนึ่งตกใจขณะที่ตกใจนั่นเองจิตทันมาดูจิตทันมารู้หันมาเห็นความความตกใจตอนนั้นจิตมันก็พลิกทันทีเลย เปลี่ยนไปนเลยถ้าไม่มีความตกแจงที่ก็ไม่เห็นไอ้การเปลี่ยนแปลง ก, ก็ไม่เกิดขึ้นแล่นบางทีไอ้การที่คนเราเจอกับปัญหาเจอกระแลงเสดทานเนี่ยอยา่าไปคิดว่ามันเป็นของไม่ดีอยา่าไปคิดว่ามันเป็นตัวประสักขัขดขวางการปฏิบัตินะถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นกระแสงว่าการปฏิบัติของเรามันแคบนะมันคับแคบเพราะจริงแล้วชีวิตประจําวันน่ะคือการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะให้ผลดีมันต้องเจอเจอตัวทุกข์นะ เจอตัวทุกข์เข้าไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของสติที่จะต้องเห็นตัวทุกข์ให้ได้เพราะถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดปัญญาทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นพระผมคุณาพรท่านสรุปง่ายๆทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มคนที่ไม่เข้าใจเจอปัญหาก็กลุ้มว่าในชีวิตการงานหรือในชีวิต ครอบครัวเจอปัญหาเอาแต่กลุ้มแต่ไม่ได้มองว่าเขามีไว้ให้แก่ปัญหามีไว้ให้ใคร้ครวนไม่ใช่มีไว้ให้คล่ำครวญ น, นะเจอปัญหาแล้วคล่ำครวญบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นหรือไม่ก็โทษคนตนคนนี้ไม่เป็นธรรมเลยเจ้านายไม่เป็นธรรมนะไอ้หมอนี้มันแย่มากนะไม่มีน้ำใจเอื้อเฟือถ้าระบดอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์เปล่า แต่ถ้าเกิด ว, ว่าเราหันมาดูใจของเรามันก็จะเห็นเลยนะมันก็จะเห็นใจที่มันดิ้นนะที่มันดิ้นเพราะมันมีอุปาทานเพราะมันมีความยึดติดมันยึดติดกับความคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้ตระหนักไม่ได้เข้าใจว่าความจริงมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเลยไม่มีอะไรที่คาดหวังได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ จิตที่มันมียึดกับความคาดหวังนี่คือจิตที่พร้อมจะทุกตลอดเวลาไม่ว่าจะคาดหวังเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาเราคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือเรากำลังขุดหลุมพรางให้กับตัวเราเองอซึ่งคนอยู่ใจก็ไม่เห็นนะว่าอที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนน่้เขาไม่น่ารักแต่เป็นเพราะใจของเราที่มันไปยึดติดก็ต้องดูให้ได้ว่ายึดติดเรื่องอะไรมีอุปาทานเรื่องอะไรนะ จรแล้วก็มีอุปทานคาดหวังให้เขาชื่นชมสรรเสริญเราเขาไม่ชื่นชมสรรเสริญเราก็ทุกข์เขาไม่มีสัมมาคารวะกับเราเราก็ทุกข์เขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ทุกข์เพราะเราไปยึดว่าคนอย่างเราต้องได้รับเกียรติอันนี้เราไม่รู้ว่านี่เรากําลังไปติดหัวโขนไปสวมหัวโขนแล้วก็ติดหัวโขนไปคิดไปคาดหวังว่าเขาต้องทำกับเราอยู่โน้น อ, อย่างนี้หรือว่า อยู่ในวัดเนี่ยก็ต้องคาดหวังก็ต้องเป็นอย่าง น, นั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยพอมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอามีงานทํามีอะไรต่ออะไรขึ้นมาทุกข์แล้วทุกข์เพราะไปใจมันไปเพ่งข้างนอกใจมันไปส่งออกนอกว่ามันเขาไม่ควรทําอย่างนี้เขาไม่ควรทําอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ถามใจหลือว่าแล้วทำไมใจเราต้องทุกข์ด้วยทําไมใจเราต้องทุกข์ด้วยคนเรามักจะสุขทุกข์ไปฝากไว้ข้างนอกไปฝากไว้กับ เจ้านายไปฝากไว้กับพ่อแม่ไปฝากไว้กับริดฟ้าอากาศบางทีก็ไปฝากไว้กับเศรษฐกิจเจอเศรษฐกิจแบบนี้น้ามันแพงแบบนี้โอ้ยจะอยู่ยังไงคนมกักจะถามว่าเออทำไงน้ามันจะลงนะทำยังไงของราคาของมันจะลดลงทำาไงบ้านเมืองมันจะมีความปกติผู้คนเลิกวุ่นวายแต่เราลืมถามตัวเองว่าเราทาไมใจเราต้องทุกข์ กับเรื่องพวกนี้ด้วยเราเอาแต่ถามรัฐบาลเมื่อไหร่จะแก่ปัญหานี้แก้ปัญหานั้นเมื่อไหร่พวกพันธมิตรจะเลิกประท้วงเมื่อไหร่ทักษิณจะทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่น้อยคนจะถามตัวเองว่าแล้วทําไมใจเราต้องทุกข์ไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยสุขทุกข์มันเป็นเรื่องของเราแต่ทําไมเราเอาสุขทุกข์ไปฝาวไว้กับคนนู้นคนนี้ไปฝ่าวิ่งกับพันธมิตรไปฝาวไว้กับรัฐบาลไปฝาวิ่งกับดินฟ้าอากาศมันปิดประเด็นไปหมดเลยเราต้องถามว่าทําไมเราต้องทุกข์ กับเรื่องพวกนี้ด้วยนักคนไม่ค่อยถามนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราได้รับการฝึกมาให้มีสติเวลาเจอปัญหาแบบนี้แหละมันดีนักแลไม่ทำให้จิตเนี่ยหันมาเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นมันมันก็น้ำานี่มันต้องมันมีตะกอนอยู่บันทีต้องเขย่ามันบ้างนะเพราะว่าบางทีไปคิดว่าที่น้ำใสเพราะไม่มีตะกอน รู้ไหมวัตกร จ, จริงมันนอนพื้นแล้วเราก็เลยประมาทคิดว่าเราเยี่ยมเรายอดแล้วทบางทีมันต้องเขยา่านะต้องเขยา่าเพื่อให้นานี่มันขุนจะได้เห็นตะกรก็จะได้รู้ความจริงว่าอกิเลสเรายังเยอะอยู่คนหลายหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าที่ฉันสงบได้นะเพราะว่าฉันปฏิบัติดีแล้วฉันทําจิตดีแล้วฉันถึงสงบราบเรียบ หารู้ไหมว่าที่สงบเราเรียบเพราะสิ่งนั้นล้อมากกว่าเป็นเพราะทุกอย่างมาเรียบร้อยโอเคมากกว่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างมาไม่เรียบร้อยเอาละ่ะหงุดหยิยดขึ้นมาเลยอย่างที่เคยเล่านางเวเทหิกานี่เป็นข้บดีหลงประมาทเข้าใจว่าที่ตัวเองเนี่ยมีความสงบสุขได้เพราะว่าวางปฏิบัติเอาไวด้ดีปฏิบัติทำดนะีฉันไม่มีความทุกข์ฉันไม่มีความโกรธเลยนะ พอไปเจอเรียกว่านางทาสีนะนางธาตันนะแก้งนอนตื่นสายแก้งนอนตื่นสายทำให้อ่าไม่ได้มาช่วยงานแค่นี้แหละแกโกรธเลยนะนางเวทิกาโกรธโมโหใหญ่นางธาตก็เลยเชื่อว่า น, นี่ไงที่ใจสงบได้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแต่เพราะทุกอย่างมันอยู่ในอนํานาจของเขาทุกอย่างมันอยู่ในทําตามความคาดหวของเขา แต่ถ้าเกิดว่ามัน ม, มันไม่ไเป็นไปตามความคาดหวังพุกเลยนี่คือจิตที่ไม่มีการศึกษานะจิตที่เป็นสงบได้เพราะสิ่งแวดล้อมนะอยู่ปางี่มันสงบได้อยู่แล้วหรือว่าสงบได้เพราะไม่มีอะไรไม่มีงานทำวันๆหนึนน่งก็อยู่แต่ในกุฏิมันก็สงบได้นี่อยากได้แล้วก็มีคนหาให้ไม่ต้องไปทามาหากินไม่ต้องไปเจอกับรถติดมันก็สงบได้นะไม่ต้องอ่านถาไม่ต้องฟังเรื่องราวที่คนมาบ่นว่ากัน มันก็สงบได้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่ก็คือการที่ไปเชิญเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นแล้วมันก็จะเห็นลตะกอนมันโผล่ไหมตะกอนมันขึ้นมาไหมอันนี้เราคือสิ่งที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ตัวเราเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนีอย่าไปปฏิเสธนะอย่าไปกลัวแรงเสียดทานอย่าไปกลัวปัญหาบางทีเราก็ต้องหาทางล่อให้กิเลสมันโผล่มาบ้างนะ เหมือนกับเวลาคนเขาสู้กันยิงปืนกันทั้งสองฝ่ายซุ่มอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นสมมติว่าเราก็กำลังยิงสู้กับเขาถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาหลบอยู่ตรงไหนทำยังไงวิธีการคือต้องส่งให้คนออกไปล่อเป้าให้คนออกไปล่อพอยิงมาก็เราก็จะได้รู้แล้วอ่าปืนมามาทางไหนบางทีเราก็ต้องลอกกิเลมนะเพรกิเลมบทีมันหลบไหนมันหลบไหนก็ต้องลอนบ้าง วิธีลอยอย่างหนึ่งคือการไปเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วกิเลสมก็จะออกมามันจะโวยวายมันจะบน่นมันจะดา่ามันจะสารพัดการที่ทําอะไรที่มันต้องท้าทายตัวเองนี่ก็คือเพื่อเหตุ น, นี้เพื่อจะได้รู้จักตัวเองเพื่อจะได้เห็นใจตัวเองสมัยก่อนก็ทุดดงนะมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานนะคนเขาไม่รู้จักนะอยู่ที่นี่ก็อาจจะเป็น เป็นเจ้าว่าเป็นใครต่อใครแต่พอไปอีกที่หนึ่งคนก็ไม่รู้จักแล้วอย่างนี้เราที่ก็ไม่มีการทูดตรงกันแต่ว่าก็มีธรรมญาตาน ะ, ะธรรมญาตานี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะขยา่ายขย่อตัวกิเลสให้มันโผล่ให้มันฟุ้งขึ้นมาดูว่ามันยังเหลืออยู่เท่าไหร่ไปเจอแดดร้อนเผาไปเจอผู้คนซึ่งไม่รู้จักนอนกางเดียงกินกาซา ย, ยากินอาหารที่ก็ไม่ไม่คุ้นปากต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้คนทําอะไรก็ไม่สะดวก นอนก็ไม่เป็นเวลาตื่นก็ไม่เป็นเวลาอันนี้มันก็เป็นแบบทดสอบเล็กๆนะที่จะทำให้เราได้เห็นตัวเราเองแต่ถ้าไม่ฉลาด ก, ก็จะไปเพ่งข้างนอกจะไปส่งออกนอกมันก็ไม่ฉลาดเลยเพราะเมื่อจิตส่งออกนอกมันก็จะไปโทษคนนั้นคนนี้เราก็จะไปเรียร้องให้เขาทาอย่างน้นทาอย่างนี้ตามใจเราแต่เราไม่เคยดูใจถ้าไม่ดูใจก็ไม่ฉลาดแต่ถ้าดูใจเห็นใจ เห็นทุกข์มันก็ไม่ใช่แค่รู้ทุกข์เท่านั้นแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพลิกจิตให้ให้กลับมาเกิดปัญญาจนหลุดจากทุกข์ได้